เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอย่างไรผมก็ได้ฟังเป็นพื้นฐานมาแล้วแล้วก็ผมก็ได้ฟังจากองหลวงปู่ล่าพอสมควรทั้งหลักของพุทธศาสนาทั้งหลักแนวแถวของหลวงปู่มั่นและแต่แนวแถวที่ปัจจุบันคือหลวงตาเป็นผู้สืบท อ, อด จะองหลวงปู่มั่นได้มากที่สุดในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายอันนี้คือองหลวงปู่ล่าท่านพูดให้ผมได้ฟัง้นสมัยเป็นเนนจนถึงเป็นพระถ่าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกรอกเช้ากรอกเย็นลักษณะอย่างนั้นผมก็ได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นผมจึงได้เข้ามากราบมาศึกษากับเป็นกิงอย่างที่องหลวงปู่ล่าท่าน ได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นผมจึงได้วางตัวอยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาถึงสิบสามปีอันนี้คือความเป็นมาแต่แต่ทั้งนี้ทางนั้นผมไม่ใช่ว่าโ้อวดหรือว่าขายกรูบายจานกินไม่ใช่อันนี้เป็นพูดตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรผมพูดอย่างนั้นเพราะการศึกษาจะมาพูดตรงตุ๋นหลอกลวงโกหกเกันมันไม่ใช่เรื่อง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 ล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างไรคิดอย่างไรได้ศึกษาอย่างไรเรืออาจจะได้ฟังทำมเทศนาหรือได้ฟังพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกแต่ก่อนเราจรึงเข้าไปอยู่กับท่านแล้วก็เห็นอากับกิริยาของท่านเป็นผู้นําประพฤตปฏิบัติเราก็เคารพนับถือเรื่มใสเพราเราได้ยินได้ฟังไดศึกษามาก่อนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ศึกษามาก่อนไม่ได้รู้จากองค์ไหนมาก่อนเรามาอยู่เอาเลยเหมือนกับเรามาอยู่กับพระพุทธปฏิมากร อ, อย่างเนี้ย เ, เพอ้เพอเผ้อแล้วก็ดูแลปฏิบัติเพ้อเพออาจจะเกิดความประมาทท่านก็ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ศึกษามาในทางลึกซึ้งในธรรมคาสอนท่านแสดงอักขระกริยาทิท่านพูดให้ฟังเล็กน้อยเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟัง ศึกษาจากเต่นอื่นครูบาอาจารย์องค์อื่นหรือหลักพระธรรมวินัยนที่ละเอียดเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้ามาเพื่อการศึกษาศึกษาเบื้องต้นก็คือศินสมาธิปัญญาอันนี้คือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะศิลสมาธิปัญญาศินคํำนี้ ศีล227กระดีศีลอภิชมาจารกรด็ดีถ้าจะรวมลงมาก็คืออยู่ในกลุ่มของศีล5พูดอย่างนั้นได้ศีล5ประการผมก็เคยพูดใน MP3 หรือแนะนำสั่งสอนว่ากล่าวไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนจนนึกคิดได้ว่าที่ผมได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์มากมายผมพูดอย่างนั้น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 ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ให้ได้ยินได้ฟังว่าสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อโลกอันนี้ก็คือสินและสินสองยี่ิบเจ็ดของพระถ้าประมวลลงมาแล้วก็คือออกมาจากสินห้าเป็นสวนมากเพราะเหตุไรจึงพูดวออกมาจากสินห้า ก่อนจะเป็นสองรอยี่ิบเจ็ดได้ก็ น, นับหนึ่งสองสามสี่ห้าซะก่อนถึงหกเจ็ดแปดจนถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็คือพูดแบบใครเถียงไม่ได้แต่ที่ได้มาพูดถึงเนื้อหาสาระเราวิเคราะห์ออกมาจะเพียบทางโลกก็ดีคดีโลกกาดีคดีธรรมก็ดีถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้ว สินห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้นั้นถ้าเปรียบเหมือนคดีโลกที่คนเข้าอยู่ในคุกในตารางในเรือนจำทุกคนพูดอย่างนั้นเกือบจะว่าอย่างนั้นถ้าเราวิเคราะห์ถ้าพิพากษาอายการวิเคราะห์ออกมาว่าคุณทำผิดอะไรก็จะวิเคราะห์ได้ว่าอาจสงเคราะห์เข้าในสินข้อที่หนึ่งคือการเปลียป่ยนแปลงคือการฆ่า การทุบตีคนอื่นเขาก็จะเข้าว่าเป็นผิดศีลข้อที่หนึ่งคือทําร้ายร่างกายเพื่อจะฆ่าผลที่สุดก็คือฆ่าไม่ถึงกับฆ่าก็คือเบียดเบียนลังแกงแกทุบตีไม่ให้คนนั้นอยู่ได้ด้วยความสงบผาสุกอันนี้คือศีลข้อที่หนึ่งถ้าเราวิเคราะห์ อ, ออกมานักโทษเหล่านั้นอาจจะผิดศีลในข้อที่หนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแนวใดแนวหนึ่งคลุโทษและหูโทษสินข้อที่สองอธินาทานหนักเปาถ้าเราวิเคราะห์ออกมาด้วยกฎหมายคดีโลกคนที่อยู่ในคุกในตารางอาจจะอยู่ในกลุ่มของสินข้อที่สองอาจจะไปขโมยของเขาขาโมยเรียกค่าไทยเขาเบียดบงังทรัพย์สมบัติของเขาโกงซึ่งหน้าของเขาเน่ยวิ่งราวสมบัติของเขา อย่างนี้เป็นต้นอันนี้วิเคราะห์ อ, ออกมาก็เข้ากลุ่มสินข้อที่สองสินข้อที่สามการเ ม, มาาเอืองวิจารณอภาคผู้เยาวบ้างทําไม่ถูกต้องหนกธรรมเนียมประเพณีอันดีงามละลาบซาลวงเกินสามีภรรยาของคนอื่นบั่งอันนี้ก็คือสินข้อที่สามถ้าเราออกมาแล้วพิพากษาออกมาแล้วก็จะเข้ากลุ่มสินข้อที่สาม ข้อที่สี่มุสาต้มตุนหลอกลวงโกหกคนอื่นถ้าเราวิเคราะห์คนที่ติดคุกติดตรัตงก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลอกลวงต้มตุน๋นยักยอกพูดไม่เป็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะพวกทามาค้าขายเกี่ยวกับของเสพติดหรือว่าเสพติด ของเหล่านั้นจนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายเพราะคนขาดสติถ้าจะว่าไปและสินข้อที่ห้าเนี่ยคือจัดว่าหมวดประเภทความหลงความหลงงมงายพอมันขาดสติทําความชั่วเสียหายได้นานับปักการเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้า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 ก็ไม่มีโทษอันนี้คือคดีโลกส่วนคดีธรรมเป็นผู้มีศีลแล้วไม่ได้คิดไม่ได้ฆ่าไม่ได้ขโมยเราไม่ได้ทาความชั่วช้าเสียหายทางกายทางวาจาของเราเราจะพิจรารณาทำบทไหนต่อไปก็เป็นไปได้ดีเป็นไปได้วยความสงบราบรื่น เพราะเหตเพราะว่ากายวาจาของเราประพฤติชอบแล้วอันนี้คือความชอบในการเป็นอยู่คือศีลถ้าจะโทษเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือศีลห้าเนี่ยเป็นต้นเงาของความชั่วทางกายทางวาจาแม้จว่าเป็นโคนและเป็นเงาของต้นไม้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 เวทนากดีพิจารณาจิตธรรมกดีในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเราจะพิจารณาจุดไหนของกายของเวทนาของจิตของธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนจะสอนวิธีการปฏิบัติให้กำหนดกายดูนะให้กำหนดเวทนานะให้กำหนดดูความนึกคิดนะให้กำหนดดูความกระทบของจิตนะอย่างนี้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 เราจะนึกคิดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องท่านบอกว่าอยู่ในสติปฐานสีกายกำหนดลมหายใจเข้าออกก็คือกายขาขวาพุดขาสายโถก็คือกายให้มีสติอยู่ในกายการเคลื่อนไหวไปทุกปริยาบทอันนั้นก็คือมีสติอยู่ในกายส่วนเวทนาก็คือรู้จักเวลาเจ็บปวดหิวกระหายร้อนหนาวรู้จักการเคลื่อนไหวของใจ ใจได้รับสิ่งกระทบกระเทือนแปนะว่าเวทนาทางจิตเวทนาทางกายเวทนาทางใจเราก็รู้ทั้งสองอย่างเวทนาทางใจก็คือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาคนดุด่าว่ากล่าวว่าร้ายเราเราก็ทุกข์ใจหรือเราได้เห็นสิ่งที่เราพัาดพลากจากหลงไปเวทนาก็เข้าสู่จิตใจของเราเราก็ทุกข์ใจอันนี้เวทนาของจิตเวทนาของกาย อันนี้ก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสี่เรื่องจิตใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้คิดไปแต่ทางดีหรือคิดไปในทางชั่วไปทางกุศลหรือทางอากุศลไปทางบุญหรือไปทางบาปเราก็ากำหนดดูใจของเราอีกเหมือนกันอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัฌนาสติปัฏฐานทำมานุปัฌนาสติปัฏฐานก็คือทำที่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 อันนี้การประพฤฏิบัติธรรมความนึกคิดการพิจารณาเรื่องต่างๆเหตุและผลต่างๆก็ามารวมอยู่ที่จิตปัญฐาสี่า 4, กายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้เรามาพิจารณาถึงอริยสัจสี่วันนี้ผมจะเรียงลำดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนานะ่อขั้นตอนในการเป็นอยู่ในการ แนวความคิดในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทีนี้อริยะสัตสีทุกสมุไทยนิโรธมักแต่ตามให้จริงทั้งสี่ข้อในทุกสมุไทยนิโรธมักถ้าเรียงตามลําดับให้ถูกต้องไหมต้องว่าสมุไทยทุกมักนิโรธถ้าเรียงตามทให้ถูกต้องแต่าตามภาษาของเรา แต่อันนี้ภาษาบาลีท่านพูดย้อนไปกลับมาเหมือนกับข้าวกินอย่างนี้แหละทั้งที่เราบอกว่ากินข้าวะภาษาเรากินข้าวแต่ภาษาบาลีบางคําถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเราจะอ่านตัวข้าวกินฮะคือข้าวกินถ้าข้าวมากินเราจะไม่จริงเราต้องกินข้าวฮอันนี้ก็เหมือนกันในสติปัฏฐานสีนี่ทุกสมุ ท, ทยัยที่โรดมักแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่า ทำไมจึงพูดอย่างนั้นคําว่าทุกสมุทัยนิโรธมักทุกพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรทุกกายทุกใจทุกไม่สมหวังความมุ่งมา่ปรารถนาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นคืออะไรเนะี่อไม่ใช่ทุกขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุไม่ใช่มันต้องมีเหตุซะก่อนมันจึงทุกสมุทัยนิโรธคือความดับทุก มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ตามไม่จริงต้องเรียงลำดับว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดในเมื่อทุกข์เกิดแล้วต้องเอามักมาประพฤติปฏิบัติมาเดินมาแก้ไขทุกข์เมื่อแก้ไขทุกข์แล้วออรู้จักหนทางแล้วดับทุกข์ไแล้วนิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะเกิดขึ้น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 กามกิเลสก็ดีราคะกรดโทสะกดีโลภโกรธโลงกดีเข้ามาทิ่มหัวใจเราบางทีเราก็ซึมเศร้าไปเหมือนกันเพราะกิเลสเหล่านั้นเข้ามาต่าจิตใจของเราอันนี้ก็คือกิเลสสุโมทยัยเหตุให้เกิดทุกข์คือการมตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาการมตัญหาคือความอยากในกามภาวะตัญหาก็คือความทะเยอทยาน ควก็คือความรักความใข้ภ า, าะวะตันหาคือคือความอยากวิภาวะตันหาคือคือความไม่อยากความไม่อยากคืออะไรไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอ่อันนี้ก็คือมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันพอความไม่อยากความอยากก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันอยากอีกแนวหนึง่งความคข้ก็เป็นอีกแนวหนึง่งอีกนี่แหละเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้แหลกว่าสมุทยัยเหตุให้ทุกข์เกิด ในเมื่อมันเกิดทุกข์แล้วตินี่และกรมักเราจะเอาอย่างไงเนี่ยเมื่อทุกข์มันเกิดแล้วใครว่าทุกข์สมุทัยสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วคือเหมือนกับเสี้ยนเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยมันต่ําฝ่าเท้าหรือฝ่ามือของเรามันเป็นเสี้ยนแล้วก็เกิดทุกข์ตินี่พอเสี้ยนตํำมือมันทุกข์หมมันเจ็บไหมมันปวดไหมมันทุกข์ มันพุกข์แล้วจะเอายังไงตันี้เราก็ต้องหาเข็มหรือหามีดมาผ่าออกนี่แหละอันนี้คือมัดเห็นเดินมัดเข้ามาวิธีการผ่าผ่ายังไงวิธีบ่งบ่งออกอยังไงที่มันหนามจะมันหนามเล็กก็ใช้เข็มบ่งออกอวิธีการบ่งทํำยังไง น, นี่แหละมัดเห็นวิธีการเดินมัดทํำยังไงหาอย่างไงแล้วก็แก้ไขยังไงทําอย่างไร นี่แหละคือมรนิโรธเมื่อถอนหนามออกแล้วเสี้ยนออกจากฝ่ามือแล้วมันก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วแเลยมันออกจากฝ่ามือของเราแล้วนี่แหละอันนี้ว่ายโรธคือความดับทุกข์อันนี้ก็คืออริยสัจสี่พวกเราก็จะต้องได้พิจารณาอีกเหมือนกัน เจติปฐานสี่อริยสัจสี่และก็มรรคแปดมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าวางาไว้คือจะทำยังไงที่จะเดินมาสู่ผนทางที่บอแก้ไขที่เลสเหล่านี้ออกจากจิตใจของเราให้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นถ้าว่าคนเราเป็นคนโง่ไม่ฉลาด แล้วจะแก้ไขสิ่งต่างๆได้ไหมไม่ได้สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบใครท่าว่าปัญญาเห็นชอบไม่ใช่ปัญญาเห็นผิดนะปัญญาตอนนี้มันทั้งเห็นผิดด้วยทั้งเห็นชอบด้วยถ้าเห็นผิดก็คือไปประพฤติทางช่วยช้าลามกเสียหายอันนั้นเลยบอปัญญาเห็นผิดสัมมาทิฏฐิผิดสัมมาทิฏฐิชอบก็คือเราพยายาม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 ออกจากกิเลสเหล่านี้มันมีแต่เครื่องเศร้าหมองในจิตในใจอันนี้ว่าสัมมาสังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจาเนีจรจาชอบคือการพูดของเราพูดยังไงจึงจะเป็นวาจาที่เหมาะสมการอยู่ด้วยกันใช้วาจาอย่างไรว่ากล่าวยังไงแนะนำอย่างไงสั่งสอนอย่างไร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 จะมีสัมมาสังกัปปะได้ไหมวจาจาจิตพูดถูกไหมเอ๊ะมันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะวขาดสติสัมมาสมาสตินี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอะระลึกสิ่งที่ควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องคนมีสติต้อ ง, อ ต, ต, องอต้องรู้ได้แต่มีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาสมมาธิติบวกเข้าไปด้วยและสัมมาสมาธิเนี่ยคือ ใจิตใจตั้งอยู่ในความสงบเมื่อใจิตใจของเราสงบด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อเราเอาสติสัมปชัญญะกํากับใจิตใจของเราใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อใจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละทีนี่แปลว่ามรรคทั้งแปดนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแต่เราจะทํำยังไง ทีนี่สมาสติสมาสมาธิจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราจะเดินทั้งแปดขาอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เดินทั้งแปดขาเดินสัมมาทิฐิสก่อน อ, อแล้วสมาสังขปัตติวายามะสติสมาธิเราจะเดินทั้งแปดอย่างพร้อมกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คือสัมมาทิฏฐิถ้าจะเปรียบที่เราเหมือนตาของเรา เ, เราจะเห็นได้ยิน จากนั้นเราก็มีเครื่องไม้คือมืออยู่ในตัวของเราทั้งหมดทั้งแปดอย่างอุปกรณ์ในการเดินทางอยู่ในตัวของเราจนถึงห่าสมาธิคือจิตใจแนว่วแ น, วแนว่มั่นคงในความเพียรความพยายามอยู่ในตัวของเราเสร็จในมักแปดนั้นเ อ, อไม่ใช่ว่าล่ะเดินสมาธิติสก่อนสมาซังกโปวาจากรรมันโตไม่ใช่อย่างที่พวกเราพิจารณาศินห้า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 สมุทัยเหตุในทุกเกิดมรรคมรรคก็คือมรรคแปดอย่างที่ว่านมรรคแปดเดินทางพิจารณาด้วยสินสมาธิปัญญาเมื่อเรามีสินสมาธิปัญญาดีแล้วแน่วแน่มั่นคงแล้วเราก็กันกรองจิตใจของเราตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ เพราะสมมาทิทิสัมมาสังกัปป ว, วาจากรรมันตัวอชิววายโมสติสมาทิิอันนี้คือศิลสมมาทิปัญญาที่จะชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ผดผ่องขึ้นมาได้กระวมมักพรคือเป็นหนทางที่จะชำระจิตใจจนถึงให้พิโรธคือความดับทุกข์ไปได้อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่าจะพูดไปแล้วมันโยงใหญ่หากันทั้งหมด แต่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าไปแล้วทั้งทุกสมุทยัยนิโรธมักมักแปดก็ดีเพราะพุทธเจ้าท่านจึงให้มาพิจารณามวลเสือ่อลงมาหาไตรลักษณ์อีทีนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นตัวสรุปบทสุดท้ายเลยทีนี้ในความเห็นของผมนะ แต่บางองค์ท่านก็อาจจะสรุปบทอื่นแต่ว่าผมว่าบทสุดท้ายเนี่ยคือบทใหญ่ที่สุดก็คือให้เห็นอนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นตั้งแต่สิ่งห้าขึ้นมาตลอดถึงสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอริยะสติทุกสมุทัยนิโรธมักมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาส ม, มาธิเมื่อย้อนรวมลงมาแล้ว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 เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดพอใจเดี๋ยวก็คิดไม่พอใจเดี๋ยวก็คิดบาปแล้วก็คิดบุญมันคิดอยู่ในจิตในใจของเรามันสร้างมโนภาพวาดภาพอยู่ตลอดไปล่ำเวลาสติของเราจะทันหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราสติไม่ทันมันก็วาดอยู่ตลอดเวล่ำเวลาถ้าสติเราทันเป็นบางครั้งเราก็จะรู้ได้ว่าเออิติของเราเนื้คิดเรื่องอะไร แต่บางคนบางท่านขาองถึงจะมาภาวนาก็เถอะร้องหย่ร้องให้เพราะบางทีตัวเองว่าตัวเองภาวนานดีแล้วทําใจให้มั่นคงแล้วแต่พอมาสิ่งไหนที่มากระทบเท่านั้นแหะจะท่านหวันไหวเอร้องห่มร้องให้เอไม่เป็นเรื่องก็มีอยู่มากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราเนี่ย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 ในหลักของพุทธศาสนารธรรมะอนัตตาเนี่ยท่านพิจารณาให้ให้ควรไตร่ตรองด้วยเหตุและผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วเมื่อเป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขงังเมื่อเรารับรู้เป็นทุกขังนะ อ, อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเพราะใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ เออดำเดียวพวกขาวเอออยู่ในจิตในใจของพวกเราถ้าเรามีสติมหาสติมหาปัญญาแ<ม>ปลว่าไม่เผลอเอเลยนะ่ะเราจะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในจิตใจของพวกเราในเมื่อเราพิจารณาเห็นจุดนี้แล้วมันก็นเหมือนระเบิดเออนิวเคลีย์นิวตอนเรียกว่าปรมนูโยนทิ้งลงเข้าสู่ มนโนคือใจของเราใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นรู้มาแล้วพิจารณามาแล้วมันมารวมอยู่ที่ใจพอมารวมที่ใจใจของเราเท่านั้นเองไปให้ความสาคัญในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจของเราไปให้ความสาคัญใจของเราไปให้ในความหมายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เ, เดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดาเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใส เศร้าหมองก็คืออะไรคือใจของเราไปพบอารมณ์สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันผ่องใสก็คือผ่องใสแบบกิเลสอีกถ้าผ่องใสโดยธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนั่นก็ผ่องใสในระดับหนึ่งที่ว่าเกิดยาแนละเกิดฌานยานรรัตตนะเกิดขึ้นพฟาฌานถึงจะผ่องใสยังไงมันก็ยังแฝงด้วยกิเลสอีกถ้าว่าทำลึกกว่านั้นลงไปเ้่านัา้นทาถล่มทลายลงทั้งหมดเลยไม่ยึดมั่นถือมั่น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 ก็มกีมากมากมายหลายๆอย่างตั้งสติด้วยวิธีเบื้องต้นอย่างไรถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาครูบายอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ยึดแนวแถวที่เป็นด้วยสติด้วยปัญญาขององค์ท่านแต่นี้เรายึดบรมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดสู้ธรรมท่านทำอย่างไงนี่แหละ เป็นกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องศึกษาจากนั้นพระ อ, องค์เมื่อได้ตัดสรู้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้แกศิษยานุสิธิ์ทั้งหลายในรายละเอียดอันนี้ก็พวกเราก็จะต้องศึกษาอีกเราก็ไม่ใช่ว่าจะทําตามพระพุทธเจ้าเนีใช่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแต่เมื่อท่านได้ตัดสรู้ทำแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็แนะนาสั่งสอนเวนยสั์อุปนิสัยแตกต่างกัน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 ในขณะที่ลมออกสรุปแล้วก็คือมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญาคือความรู้ตัวในขณะที่ลมเข้ารุ่ลมออกนั้นนี่แหละคือกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องข้ามไม่ได้วางไม่ได้มองข้ามเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในการประพุทธปฏิบัติธรรมพวกเราต้องยึดหลักตัวนี้เป็นหลักถ้าพวกเราไม่ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักแล้ว พวกเราจะหลักลอยจะไม่มีทําอะไรจะไม่เป็นชิ้นเป็นอนคว้าหน้าคว้าหลังตะคุปซ้ายกับตะคุปขวาองนั้นว่ายอย่างนั้นองค์นี้ว่าอย่างนี้แต่ถ้าพวกเรายึดแนวแถวเบื้องต้นไว้ก่อนคือมีสติสัมปชัญญะสติของเราได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นพื้นฐานพอสมควรจิตใจของเราไม่หิวไม่โหยไม่กัวลไม่กังวายไม่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 เป็นกุญแจดอกแรกอย่างที่ผมได้กล่าวจากนั้นพระองค์ก็เมื่อจิตสงบแล้วเกิดฌานญาณัตสนาคือยาณก็คือวิชาอันหนึ่งเกิดวิชาอันหนึ่งในการภาวนาของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้ระลึกชาติทูลหลังได้อันนี้ก็คือเป็นบทแบบหรือว่าเป็นบทให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่า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 จตูพปปาตยานอาสาวกยายานที่ผมเคยพูดเคยบอกกล่าวมาหลายครั้งอันนั้นคือวิธีหรือวิธีการทำของพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราแต่ทีนี้เมื่อพระองค์ได้ตัดสู้รมแล้วแต่นี้ท่านมันแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้แกพวกเราขั้นตอนต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะพิจารณาอะไรนี่แหละทีนี้พระพุทธองค์ก็สอนเพราะว่า แนวของพุทธะนั้นให้คลายเขาบอกพอรู้ตัวหนึ่งแล้วปุ๊บปุปุ๊บปุ๊จนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นแนวของพุทธะแต่ทีนี่แนวของสาวกากันเพราะพระองค์ก็บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วให้พิจารณาให้ใช้ปัญญาวิปัสนาสมาธิคือทําจิตใจให้สงบปัญญาคือพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลเรียกว่าวิปัสนา สมาธิวิปัสนาสมัธและวิปัสนาอันเดียวกันสมัธาคือสมาธิวิปันปญญปนนสน า, า, า, า, า, า, า, าคือความนึกคิดใช้ปัญญาพิจารณาเอออันนี้ก็คือสมัธและวิปัสนาถ้าจะว่าไปแล้วสมัธคือทำจิตให้สงบวิปัสนาก็คือความนึกคิดใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลสรุปแล้วก็คือวิปัสสน์พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดคือความนึกคิด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 มันก็จะเป็นชิ้นเป็นอ น, นแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเมันหิวหวยอยูออ่มันหิวมันพวกรวมมันมีเรื่องราวทำสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโลยสิ่งที่เราต้องการยังไม่สำเร็จเราจะมานั่งทำการทำงานในโต๊ะตัวนั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิในการทำงานพิปิดถูกๆคิดยิ่งคิดตัวเลขเข้าไปแล้วยิ่งไม่น่าวไวใจในจิตจิตใจในขณะนั้น พราจิตใจของเรามันไม่เป็นเอหนึ่งเดียวซะก่อนแต่เมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบเยือเกเย็นแล้วเรานํามาพิจารณาเอะอะไรใจของเราก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวรู้แจ้งเห็นจริงเพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุสี่พิจารณาถึงดินน้ําดูให้เป็นดินน้ํำลมฝอยหรือเป็นพิจารณาถึงโครงกระดูกของร่างกายก็เป็นไปได้ทั้งนั้น เพเหตุใเพราะสติของเราดีใจของเราไม่หิวโหวยด้วยอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเป็นเครื่องบัญชาของจิตใจเพราะฉะนั้นศิลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันไปด้วยกันคือมรรคแปดตัวเนี้ย้อนไปถึงมรรคแปดนที่ผมว่าสินสมาธิปัญญานี่แหละศินคือความประพฤติทางกายวาจา เป็นมาด้วยดีไม่พิตกกังวลในการเป็นอยู่ของตอนเองเมื่อความไม่กังวลแล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเสัมมาทิตติคือปัญญาตัวนี้กับพิจารณาทํำยังไงจึงจะเห็นชอบไตรตรองด้วยเหตุและผลเห็นชอบยังไงพระพุทธองค์บอกว่าอย่างพระพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชพระอุปัชฌาก็สอนว่าเกซ่าโลมานาฆาทัานตาต า, ตาโจอ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 แน่นเอียดเหมือนกับกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าของเราเดินทางอย่างนั้นแะยัดอะไรเข้าไปจนแน่นเอียดท้องของเราก็เหมือนกันมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีปอดอยู่ในนี้แล้วก็มีกระดูกชี่โครงหุ้มเอาไว้เพื่อไม่ให้ถ้าไม่มีชี่โครงหุ้มเอาไว้อะไรมากระทบมันจะถึงตับแตกปอดแตกลำไส้แตกเพราะเหตุอะไรเพราะมันมีอะไรกระแทกเข้ามาอันนี้มีกระดูก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 ว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมถามใจตัวเองสิใจของเรามันก็ยอมรับเพราะว่าในร่างกายของเรานี่มีกายกับใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจใจอย่างที่ผมพูดเปลืองตน้นศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลห้ารวมลงมาคือความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็รวมมาถึงใจถ้าว่าใจของเราเอไม่คิดมันก็ไม่ทํา ไม่คิดซะก่อนมันก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นมันคิดไปในทางชั่วซะก่อนมันจะออกไปทางกายมันคิดไปทางชั่วซะก่อนมันยังพูดออกทางวาจาไปในถ้าคิดไปทางดีซะก่อนพูดออกไปมันก็เป็นทางดีทําออกไปมันก็ทางดีมันออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นของวิจติปฐานสีก็อีกเหมือนกันมันออกไปจากใจอีกตอนนี้ทําไมเห็นพอมาถึงจุดนี้อีกเห็นสมถะคือคือทําจิตให้สงบคิปัจฉนาคือความนึกคิด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 ไปยึดอย่างนั้นจะ เ, เรื่องจริงไหมใจหรือเป็นเรื่องกลอกตัวเองนิใจสิ่งเหล่านี้เราต้องถามใจคือตัวผู้รู้ของเราในเมื่อตัวผู้รู้มีสมาธิดีและก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงแ อ, อริยสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคแอ่ิสติปฐานสีกายเวทนาจิต ธ, ธรรมแหมมรรคแปด สมาธิสมาสั่งกระปรจนถึงสมาสมาธิไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาใช่ไหมใจแอมมันย้อนไปถึงจุดนั้นอีกเลพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วเลยนานแหละมันปล่อยวางที่ไหนมันปล่อยวางที่ใจเพอเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง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 ว่าตัวเองเดินไปข้างหน้านเรื่อยๆที่แท้ก็คือมันวนอยู่ในวัฏฏสงสารเกิดเวียนไหว้ตายเกิดเป็นคู่เป็นคนเป็นคนทุกคนยากคนหูหนวกตาบอดเ อ, อีถ้าทํากรรมชั่วก็ไปเกิดตกนรกหมกไหมถ้าทํากรรมไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ได้ฉานช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นดวงวิญญาณดวงนี้เพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าถึงจะเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏฏสงสารเหมือนกับ งดไต่ขอบกละมังจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ที่ไหนเจากนั้นเราก็พิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไปเดินอยู่ขนาดไหนเราก็ควรจะหาทางแวะออกจากขอบกละมังไปสู่แดนอมะตะให้จิตใจของเราออกจากวงวัฏะสงสารให้ใจของเราออกจากวงของวัฏฏบุญ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 ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูรร้รำที่โคลนต้นโพวันนั้นท่านตัดสู้อะไรท่านกําหนดอย่างไรท่านรู้อะไรแต่เมื่อท่านเนี่ยตัดสู้แล้วอันนั้นคือพุทธะแต่ท่นก็ได้นำํำทำคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาท่านให้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อเห็นร่างกายเห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่น ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจของตนเองอีกต่างหากใจของเราให้ความสําคัญเรื่องนั้นให้ความสําคัญเรื่องนี้ไปยึดเรื่องนั้นไปยึดเรื่องนี้นเข้ามาสู่จิตใจใจของเราก็เลยเป็นทุกข์ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะจุ่งเหยิมวุ่นวายไปหมดตอนนี้เราพิจารณาดูเราไปยึดอะไรขนาดใจร่างกายของตนเองก็แท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดอะไรเข้ามาอยู่ในใจของเราอีกวะเนี่ย เกิดความเบื่อหน่ายสละทิ้นทิ้งอยู่ที่ใจเบื่อหน่ายที่ใจคลายที่ใจหลุดพ้นที่ใจพัดันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะธรรมะขั้นสูงสุดนี่คือตัดใจตัดความตัดกิเลสตัดคือตัดใ จ, ต, ด ต, ดใจตัดกิเลสราคะโทสะโมหัมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะได้ยินได้ฟังในวันนี้ผมคิดว่าผมแนะนา